การศึกษาธรรมะก็มีอยู่หลายระดับระดับของคุณธรรมจริยธ ร, รรมศีลธรรมอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความดีความงามสุขสวยเลยดีที่จมาศึกษาท่วัดปาสสุโตเป็นระดับที่เรียกว่าปรมาถะสภาวะธรรมก็คือเห็นตรงตามความเป็นจริง เราสามารถที่จะเกี่ยวข้องถูกต้องคำว่าถูกต้องก็คือเราไม่ทุกข์ที่ขอเรามันมีกามเป็นปกติเขาวนวายเราไม่ได้วนวายเขาจับสนเราไม่ได้จับสนก็มีปัญหานะแต่เราไม่ได้มีปัญหานะเขาทุกข์เราไม่ทุกข์เขาโกรธเราไม่ได้โกรธเขาเขาไม่ได้มีเมตตาแต่เราก็มีเมตตาเขาต่อไปก็ไม่รักเราเราก็รักเขาต่อไป มันเป็นความจริงแบบนั้นเกิดที่ตัวเรานะมันเกิดปัญญานะปัญญามจะเกิดได้นะในระอว่างการเปรียบธรรมหนึ่งนะเจโตวิมุตตนะ์เกิดจากกระบวนการของสมถนะเป็นเจโตวิมุตตนะ์หลุดพ้นโนะดยการกดกานข่มเอาไว้หนะลุดเข้าจานะมีความสุขอยู่ภายในคนเดียวนะนะอีกตัวนึงก็คือทําให้เกิดการมารูธรรม การหลุดพน้นอย่างถาวรไม่ต้องหลบเผชิญหน้าเนี่แหละแล้วแต่ไม่ทุกเรียกว่าปัญญาวิมุตต์หลุดพน้นได้ปัญญาญานเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตตภาวนาเป็นปัญญาภาวนาปัญญาพุทธะปัญญามีหลายระดับเช่นปัญญาระดับกองวิญญาณ วิญญาณก็คือสามารถรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นนะกายสมองรูนะ้รู้ถูกก็ได้รู้ผิดก็ได้นะฮะนั่นะคือวิญญาณเป็นสัมมาเป็นมิจฉานะต่อมาก็คือโดยความทรงจำนะจำได้หมายรู้ได้สมองนะจำไวนะ้เป็นสัญญานะเป็นความทรงจำนะ ชอบสิ่งไหนจำสิ่งนั้นประทับใจไม่ชอบสิ่งไหนก็จำสิ่งนั้นไม่ประทับใจจำต้งคู่มันเป็นความจาทีนะ่เกิดจากประสบการณ์ที่ย้ำคิดย้ำทำจำได้โดยสมองแต่พอนานๆไปก็ลืมเหมือนกันเนะวลา 3,000 หน่วยความจำหายไปเมื่ อ, อยุคครบ40ปีบริบูรณนะ์วันนึ่งเราคิดไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง 60,000 คะแนะ มันก็จะมีพบชาติเกิดขึ้นเกิดหนับเกิดดั บ, ดดบนะประมาณไม่น้อยกว่า 60,000 นเะจ็ด0 0ื0นแปนก็นแล้วแต่บางคนสุขสนก็วันทั้งวันก็วิปลาดนะจิตไม่สามารถกลับมาความปกตินะอยู่ตรงความเป็นปกติไม่เป็นนะอันนี้ก็เรื่องของวิธีกรรมพฤติกรรมทำไมก็คือจำได้ไหมหรู้นะ ลักษณะของอดีตอนาคตนะเป็นลักษณะของจำในอดีตได้หรือว่าอน า, า, าคตนะคาดกันรวนกานเงินคาดการน์รนนรรแล้วก็ตรงเกิดศาสตร์ต่างๆมากมายหมอดูโหราศาสตร์สถิติวิชาสถิติต่างๆคำนวนได้จนกระทั่งดวงดาวจะเกิดตรีบราคา วันไหนอย่างเมื่อสองวันก่อนดาวศุกร์มาซ้อนกับดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยก็เกิดการเรียกว่าชีนนำสร้างกระแสให้คนตื่นตัวต่อมาก็คือปัญญาในระดับที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินี่เป็นระดับที่แต่ละคนก็จะมีความเห็นแตกต่างกันไปอย่งคิดมุมมองมองมุมไหน มันก็จะเป็นแบบมุมนั้นคนมีธรรมก็มองเห็นคน ม, มีธรรมคนไหนไม่มีธรรมก็มองคนอื่นไม่มีธรรมะตัวเองไม่ใช่คนนะก็มองคนอื่นไม่ใช่คนคนอื่นมองไม่ใช่คนก็เท่ากับมองตัวเองไม่ใช่คนเป็นต้นแปลงของความเห็นทิฏฐิต่างๆก็เกิดเป็นวิชาการเต็มโลกอีกเหมือนกันศาสตร์ต่างเป็นการเาติมเต็มหรือว่า เป็นกระบวนการวิวัฒนาการของโลกทั้งใบให้เกิดความสะดวกนะเกิดหน้าที่เกิดการงานที่แตกต่างกันไปนะไปตามกระแสะที่ยืยอยุจนชวนชวน่าไปตามนะชีวิตของเราที่เคยวาดฝันเอาไว้นะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนะบุคคลต่างๆ ต, าง ต, างต้นแบบแก็พร้อมที่จะเรียนรู้เดินตามจะได้มีปัจจัย 4,5,6,7,8 นะ มีการมีกินมีเกียริมีตุนนิยมมีอำนาจนิยมมีบริพนิยมจนกระทั่งไม่จบไม่สิ้นได้ต่อมาก็คือปัญญาที่เรียกว่าระดับวิจุจารวิจุจารก็คือจิตของเรามันฉลาดมันสามารถที่อย่างรู้แตกฉานฉับพลันเฉพาะเรื่องเฉพาะราววิจุจานมันจะรู้กับแตกฉานเฉพาะเรื่องเฉพาะราว บางคนอาจจะอาจฉยะในทางด้านคณิตศาสตร์บางคนอาจจะอาจยะทางด้านภาษ า, ษาศาสตร์บางคนจะเป็นพัละหรือว่าเป็นศิลปิ น, นวาดภาพจิตรกรจิตร ก, กรรมต่างๆประติมากรรมแล้วิชาพัละหรือว่าทำมาเป็นต้ น, นเฉพาะทางเฉพาะแขนงไปวิจิตรศอย่างรวดขับพลั น, นแต่ว่าท้ายสุด มันมีระดับที่เรียกว่าสั ม, มาสัำพธิญานก็คืออย่างรู้แจ้งโลกนะรู้วัโลกทั้งใบนะสมมติต่างๆรู้กายรู้ใจนะรูนะ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเหตุแห่งทุกข์เกิดอย่างไรแล้วก้าวล่วงได้อย่างไรนะไม่ใช่เรื่องของปัญญาวิมุติที่เรานะมาสร้างความ ร, รู้สึกตัวเนะี่ยมันจะได้เจอนะเบื้องต้นก็คือนะความรู้สึกที่เกิดแต่ละขณะที่กายของเรานะ อาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเจ็บปวดเมื่อยต่างๆหิวกระปวดหัวตัวร้อนร้อนหนาวหนะรือว่านะป่วยไม่สบายเนะจ็บคอจับไขนะ้ปวดหัวตัวร้อนต่างๆนะอันนี้คืออาการของกายเราก็สามารถยาดูแลนะเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเป็นต้นนะเราผู้รู้นะหมอพยาบาลก็รู้เฉพาะทางมานะ ก็สามารถที่จะทำดีทำหน้าที่นะเกี่ยว ก, กับคนไข้จนหายป่วยนะนะก็เป็นความสะดวกสบายเนะท็มกันก็คือเรื่องของจิตใจของเรานะอันนี้เป็นเรื่องของ <c oughs> จิตของเราถ้าเผลอเมื่มอไหรนะ่มันก็เป็นเรื่องของนามธรรมแล้วล่นะจิตคิดนะคิดไว้เทไรนะเราก็ต้องมีสติไวเท่ากันนะ ในพระสติปัฐานที่มันจะมีความว่องไวสูงฝ่าสติสัญชาตญาณกนะิเลสมันเกิดเพอมีสติตามสัญชาตญาณรนะักตัวกลัวตายหนีไปนะหึงหวงห่วงหาหิวหวยเหี่ยวแห้งหดหูนะหมดหิตต่างๆกนะ็คือเรื่องของนะปัญหาที่กิเลสมันก็เป็นความทุกขนะ์จนทั้งเรานะสามารถที่จะจับได้เมื่อเราจเจริญสติ ทุกครั้งที่เกิดการคิดแล้วหลงก็ไปนในความคิดก็ปรุงแต่งคิดแล้วก็โลภคิดแล้วโกรธคิดแล้วก็ห ล, ลงหลงรักหลงจังเมื่อเรามีส ต, ติรู้เท่ารันก็เห็นแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวขณะที่คิดอยู่ก็รู้สึกตัวมันโกรดอยู่นี้ก็คือมันหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์หลงไปเต็มๆจนมจะทังไม่คิดหัวเดียว มันเป็นไฟลามทุ่งเฉลําก็เริ่มทำความเสียหายเบียดเบียนเพลงเบียดเบียนผู้อื่ น, นทุกครั้งที่โกรธก่อนที่จะแสดงออกไปทางกายวาจะมันกเกิดที่จิตใจของเรามันไหมันมอดจนมันลุกระเบิดมาระเบิดตัวมันเองจนสะเก็ดไปดอนกันอื่นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ตัวเราเองเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วภพชาติมันก็เป็นสัตว์โลกสุรกายสุรบายภูมิ ใช้เวีนใช้กันดังนั้นจิตคิดมันเป็นนามธรรมคือ ต, ต้องมี น, นามธรรมที่ว่องไวคือสติไอ้ตายเคยพูดไว้ว่าอะไรก็ตามที่ไวายฝ่าแสงสิ่งนั้นไม่มีตัวตนก็ここคือความคิดนี่แหละมันวายฝ่าแสงมันไม่มีตัวไม่มีตนแสงเดินทางหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพไมต่อวินาที หรือว่าเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ความคิดไปไวฝันนั้นลองพิสูจน์คิดถึงบ้านเนี่ยมันก็ถึงแล้วคิดปรับถึงปุ๊บคิดถึงอดีตมันยังย้อนกับอดีตได้ด้วยตอนสมัยเด็กๆมันก็เลยหลงไกลแล้วก็หลงลึกพอเรามีสติลรารู้มีความรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้มันตัดมาสู่โลกของปัจจุบันความเป็นจริง มาเห็นธรรมาชาติในปัจจุบันที่กำลังแสดงออกคือความเป็นปกติเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นความคิดมันพาเราไปไกลมากสู่ความทุกข์หรือเป็นความสุขก็ได้แต่ว่าท้ายสุดสุขก็คือทุกข์คิดดีขนาดไหนมันก็เป็นความทุกข์อยู่ดีท้ายสุดถึงจะเป็นความดีความงามขนาดไหนมันก็แตกดับ ใปรแสดงความจริงออกมาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนต่างๆเราก็เลยเห็นตัวเองอย่างวันนี้เห็นไหมว่ามันคิดกี่เรื่องคนเป็นแม่คนก็ต้องคิดห่วงลูกห่วงหลานคนเป็นพ่อคนก็ต้องคิดถึงลูกถึงหลานไปโน่นเป็นพี่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอามีญาติโกโวติกาต้องไหลหลุดไปคิดถึงคนละคิดถึงคนช่างนี่นะ แม่ทำไมต้องคิดถึงลูกมากก็เลือดเนื้อของเราควจะเป็นทารกออกมาได้ก็ไข่ของเราพ่อทำไมตึองห่วงลูกมันก็คือตัวสเติมของเราอาสุจิของเรามีความผูกพันกันเอกวโครมาโซมต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่ทํำไมเราปฏิบัติธรรมแล้วก็จะต้ามีความคิดพุ่งเกิดขึ้นมา ก, กระแสของ ความคิดมันก็บอกให้เราจาักถึงสมมุติต่างๆลูกของกูเมียของกูโดยจะพูดเรียบร้อ ย, อยนึงกันลูกของเราเมียของเราการงานของเราการเรียนของเราทรัพย์สินสิ่งการของเรามันเหนียวกำลังคือลูกคิดถึงลูกแล้วได้กำลัง คนไม่เคยมีเลี้ยมีแรงพอมีลรก็ต้องมีเลี้ยมมีแรงขึ้นมาต้องอาบเดือดต่างน้ำเดือดเพราะโรจะทุกเหมือนเราไม่ได้มันก็จะมีคุณธรรมแบบนี้เกิดขึ้นมาเราเคยอดลูกต้องอิ่มเราเคยขาดของเล่นลูกต้องมีของเล่นต้องเติมเต็มทุกวิธีการมันก็จะต้องสดแสดงออกมาทางกายวาจาใจ เวลาปฏิบัติเราก็ปฏิบัติมันก็แสดงออกมาเคยเป็นที่ว่าอย่างนี้เคยเป็นเย็นๆอย่างเงี้ยเคยคิดถึงมาก <c oughs> มีลูกคิดถึงลูก <c oughs> ห่วงเอจะอยู่ยังไงมันจะอบอุ่นหรือไม่ <c oughs> ผู้ชายต้องสอนผู้ชายด้วยกันให้ผู้หญิงสอนผู้ชายเนี่ย <c oughs> มันไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> ผู้ชายมันรู้ว่าอารมณ์ของผู้ชายเป็นยังไง ผู้หญิงก็รู้เรื่องอารมณ์ผหญิงไงลูกสาวก็เลี้ยงเขาไปแต่เลี้ยงลูกชายมันเลี้ยงไม่เป็นหรอกก็มองอย่างนั้นมันก็ห่วงอ่ะนะแต่ก็กลับมารู้สึกตัวมันก็ตัดทันทีมีแม่ใครไปตำแล้วไม่คิดถึงเห็นหน้าแม่หน้าพ่อเป็นไปไม่ได้หรอกไม่จริงท้ลองปฏิบัติจริงจริงจะเห็นเลยหน้าลอยมาฝึกที่เดินจงกรมกับลอยมาแล้วนั่งยกมือติดตียชื่อว่าลอยมาแล้ว อยากมายกมือ14จังหวะคิดเห็นมแม่แม่อาให้แม่มานั่งยกมือสิจังหวเนะเหมือนเราแม่รู้ไหมร่วมกำลัลงนั่งยกมือสิบสี่จังหวะอยู่กำลังเดินจงกรมอยู่อยากให้มาเดินข้างๆยกมือสิจังหวะอยาให้มานั่งยกแล้วแม่จะรู้ว่ายกมือสิ่จังหวะมาเบื่อกันหนไหมแม่เบื่เบื่อนั่งยก เมื่อไรจะหมดวันเงยเบื่อเพเบื่อคิดถึงแม่เคยไหมเวลามีความทุกข์คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยเงมันคิดถึงเวลามันดีมันคิดถึงมีอาหารอร่อยอร่อยเงี้ยปักขึ้นมาปั๊บโอ้โหมันจุกคอจะใส่ปากก็ยใส่ไม่ลงคิดเห็นหน้าพ่อหน้าแม่หน้ า, นาลูกใหญ่แม่นั่งล้อมวงกินด้วยกันอย่างเงี้ยได้๋ยวปลาเนี้อาอาหารดีๆทั้งนั้นเบียวมเอนี มันก็เผลอหลงเราก็รู้เท่ารู้ทันรู้แล้วรู้อีกรู้ซ้ำซ้ำรู้จนจํามากได้ไ น, นี่ตัวหลงมันมีพลังแต่เป็นพนลังป่ายโลกโรคถึหงหวงห่วงหางเป็นทุกข์เป็นปัญหาขณะปฏิบัติเราก็รู้สึกเนยมันจริงกว่าอันนั้นเป็นมโนภาพเป็นมายาไอ้นี่นสัมผัสลดปักชั่วเลยเพราะนั้นเรามีพลังน วิถีชีวิตของเราเนี่ยแต่ว่าพลังที่เราใช้อยู่พลังคืออะไรพลังคือศีลหรือไม่ถ้าเป็นพลังคือศีลกำลังคือศีลศีลนำสุขไหมศีลนาโพกษะให้ศีลนาความเย็นใหน้กำลังคือรูปตอนนี้ก็ัยหนุ่มใบสาวกำลังมีเลี้ยวมีแรงไปไหนก็อาบน้ำเย็นได้สบายไม่หนาวเล่นได้ทั้งวันไม่เนมหน็ดไม่เหนื่อย วัยหนุ่มวัยสาวปีกก้าขาแข็งต้องโลกกว้างมันก็มีกําลังขึ้นมากำลังคือรูปวัยประวัต์ศาสตร์เล่าเรียนท่องโลกกว้างรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบะหามกมืองตาเหลียวก็าเหลียวตาตามมันมีกําลังแบบนั้นขึ้นมาเอาตัวรอดกําลังคือรัพยกบางทีเราก็มีเงินมีทองมีกําลังคือซัก ความรู้อาจจะน้อยวิชาการทางโลกอาจจะไม่รู้รอบตัวแต่มารู้เฉพาะทางเฉพาะเรื่องจะหาเงินมาได้เป็นมหาเศรษฐีอาซิมอาซออาแปะอากงอามาต่างๆไปไหนพูดเสียงดังกระหมงสงเฉนตถามว่าจบปลายป่าวว่าไม่ได้จบอะไรว่ามาจากเมืองกินเสือ้อผืนหมอนใบแต่ว่าอ้ววามีทงังเปลี่ยนไล่กลายเป็นดี รถชนตูมเอาเงินไปตบหน้ามันเลยฟาดหัวมันเลยคดีจบเป็ยังรเรียกว่ากําลังคือศักย์กําลังคือญาติไปไหนเราก็รู้สึกว่า อ, อ, อบอุ่นแต่รู้ว่ามีญาติผู้หลักผู้ใหญ่รอเราอยู่หรือว่าอยู่ใกล้ๆเรา เ, เราก็พร้อมที่จะเดินไปหาในนามสกุลเดียวกันมาจังหวัดเดียวกันจบมาจากสถาบันเดียวกันมันก็มีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมานกําลังคือญาติ มันก็ไม่สำคัญเท่ากำลังคือศีลเพราะญาติต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างไปบางทีที่ไหนมีผลประโยอน์ที่นึ่มีการขัดแย้งพี่น้องฆ่ากันก็มีขึ้นลงขึ้นศาลก็มีมนักํกำลังคือศีลอันนี้เรามาฝึกกันฝึกเสริมเติมใหม้เกิดความเต็มขึ้นมาในเรื่องของประสบการณ์ของปัญญาแล้วแต่เราะเป็นปัญญาที่ มันเห็นตัวเองเห็นตัวเราเนี่ยล่ะกายของเราใจของเราเนี่ยล่ะที่เราว่ามันเป็นเราท้ายสุดอ่ำไม่ใช่เราจะแล้วมันคืออาการของธรรมชาติมันคือธาตุธรรมมันคือธาตร่วมคือธาตว่างกายของเรามันก็มีธาตสีมันธาต้น้ำธาตไฟธาตินธาตลมจะรู้ได้ไงตอนนี้มันมีธาตอยู่ก็ที่เปียกแฉะธาต้น้ํา ในช่องปากเด้อชื้นๆเหนียวเหนียวสัมผัสได้ถ้าน้ำถ้าลมก็คือลมหายใจเป็นลมเบื้องบนลมในช่องว่างหรือว่าลมเบื้องล่างลมเบื้องล่างคืออะไรล่ะโยมเฮ้ก็คือผายลมนะลมเบื้องล่างหรือว่าชื่อเล่นเรีวตดนะชื่อจริงผายลม มันก็มีลมเบื้องบนลมในช่องว่างที่เรายกมือเนี่ยการเกง่งการกลายการตึงการหย่อนการกระทบสัมผัสตัวเคลื่อนเป็นท่าลมแต่ว่าการกระทบสัมผัสคือท่าดินนั่งจับจับ จ, บจืมันมีแข็งแข็งมีกระดูกเราบอกว่าเออเนี่ยเราหลงรูปของเราร่างกายของเราจริงๆเป็นแค่คนแทนผิวหนังเมื่อรอกไาทั้งตัว อยูหนังเลยนะตั้งแต่หัวจ็บเท้าลอกออกมาเป็นแผ่นเลยปั้นก้อนกลมๆความสวยของเราแค่ผลพุตาลูกหนึ่งที่เป็นปกปิดซ่อนเลนส์ความน่าเกลียดเอาไว้ความไม่งามความไม่สวยเราก็หลงมาเป็นตัวเราที่จริงก็คือธาตุเป็นาธาตุรมความคิดนี่เป็นธาตุรู้ธาตุว่าง ตะคิดถูกก็ไม่ถูกตะคิดไม่ถูกก็ถูกนะความคิดมันเป็นรักอาการเป็นนามธรรมเมาเรารู้มันก็ว่างมารู้ม็คือ ก, ก, การปล่อยวางอันนี้ก็คือรู้ด้วยสติปัฏฐานรู้รอบกองสังขารรว่ามีกา ย, ยสังขารแล้วก็มีจิตตสังขารมันมีทวารต่างๆต า, ต า, ตาหู้โหจมูกลิ้นกายใจน มันมีการกระทบสัมผัสอย่างเงี้ยนะมันก็รู้ไปอีกเรื่องของอายนะ12ภายนอกภายในอย่างเงี้ยตาหูจมูกหินกายใจหนะลบรถกลิ่นเสียงโผฏฐาตธรรมารมมันก็ไม่ใช่แค่รู้สึกตัวอย่างเดียวหรอกนะมันจะแตกฉานไปมันก็จนะ ม, มีกำลังเกิดปัญญาไปยิ่งยิ่งขึ้นไปนะยิ่งทำยิ่งรู้ยิ่งรู้ก็ยิ่งโอ้เนะบาเนื้อเบาตัวเบากายเบาใจพมันรู้ความจริง ชีวิตเราก็ใช้ไปแป๊บแบหมดวันแป๊บบหมดวันมีหน้าที่อะไรเราก็ทำกันไปนเห็นว่าอะไรมันเป็นประโยชน์เป็นความดีเป็นบุญก็ทำไปทางกายวาจาใจของเราสร้างชีวิตครั้งหนึ่งเกิดมาโอกาสได้เกิดซึ่งเกิดได้ยากมากทำไมมันถึงยากใบตก ไข่ตกมาใบละ1เดือน e ตอนหนึ่งใบนะไข่หน e <c oughs> ึ่งใบหนึ่งเดือนของแม่เราติเลวะลอกเดือนลอกเดือนรอบเดือนกันเกิดอสุจิสเปิร์มก็2ล้านถึง5้าล้านตัวถ้าใครมีต่ำกว่าสองล้านก็อันแอร์เราก็เป็นตัวที่เก่งที่สุดอย่างงี้เสร็จแล้วก็เกิดปฏิสนธิกันขึ้นมา หรือว่าเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในน้ามูดเนา่าโอปปปาติกะนะเกิดขึ้นมาในจิตของพ่อของแม่ที่มีความรักต่อกันนะมันก็เกิดทุกอย่างการเกิดในวัฏสนามนุษย์เนี่ยเกิดครบเลย <c oughs> สังเสตชะจราพุทะนะโอปปปาติกะนะอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาทีนี้ลักษณะของ การเกิดในจิตของเราเนี่ยมันเกิดได้แค่อบปติกะ เ, เวลาปลายไปยไม่มีซากเหมือนกับซากศพร่างกายของเรา เ, เวลาคิดขึ้นมาลูทันปั๊บดับปุ๊บบางทีมันคิดขึ้นมาลูไม่ทันนะถามว่าด่าของมันเองอันนี้ไม่เกิดปัญญาประเภทที่ว่าเออคิดเองว่าเดี๋ยวมันดับไปเองเอันนี้ปัญญาไม่มีไม่สามารถที่จะปกปิดหรือว่าอุดรูรัร่วที่เป็นจุดอ่อนของชีวิตได้ทัน อันนี้เรียกว่าประมาทแต่เป็นสติปฐานติ่ไม่ใช่สติสัญชาตญาณเราฝึกดีๆจะรู้แยกได้แยกได้เออนี่คือรัตธรรมนี่คือนามธรรมมันรู้สึกว่าสัมผัสแล้วมันแยกได้แต่ใหม่ๆมันไม่ได้แยกนะมันรวมกันไปแล้วระหว่างรูปน้ำขันห้าเนี่เป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยแต่พอทำไปทาไปเห็นเออมันแยกได้รูปมันก็ตัวหนึ่งเงี้ย รูปธรรมมาตัวหนึ่งจุดหนึ่งรูปขันเนี่ยจุดหนึ่งอันนี้เป็นความคิดนี่เป็นระบบของจิตนี่นะเป็นนามธรรมนี่อีกจุดหนึ่งสติผู้รู้ผู้ดูกลางมากเเป็นจุดเดียวไม่รู้ก็หลงไม่หลงก็รู้พลิกไปพลิกมามีว่างมีไม่ว่างมีว่างมีไม่ว่างพอรู้มันรู้มันก็ว่างพอมันหลงไปอันนี้เป็นภพชาติมันก็ไม่ว่างจิตมันก็หนักลงหนักลงหนักลงแล้วพูมตาม จิตตกนประเภทนี้มันก็มีแต่ใช้ใช้เวน้นใช้กรรมจนควา ม, มันจะหมดหมดเวน้นหมดกรรมบางทีกัหนึ่งวันสองวัน3มวัน4วันอารมณ์ค้างนะกดแล้วกดที่นั่นะมันกวจะหายไปแล้วบางทีก็พูดซ้ำๆเรื่องเก่าๆพูดทำใหม่แล้วก็แล้วไปเสียจำไม่ลืม เขาทำกับเราเขาทำกับเราทําไม่ทำไมมันลืมได้แล้วทนะําไมลืมก็เท่ากับเราเนะี่ยจีเวลาชีวิตนะแต่ถ้าไม่ลืมโดยการที่ว่ามีอธีตังกยาในดีตนะลึกย้อนไปในอดีตแล้วก็สามารถที่จนะดูบาดีตของเราเนี่ยเป็นยังไงนะก็จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะเคยทุกจะได้ไม่ทุกต่อไปนะเคยดยากจนก็จะได้มังคั่งต่อไป เคยขี้เกียจขี้การก็จะได้ขยันต่อไปแต่ว่าถ้ามีสติเนะมืองทีมก็ดีเหมือนกันเห็นตัวขี้เกียจนะตัวขี้เกียจเนี่ยมันเป็นอคุศร น, นะพอมีสติอา้าวหยิบมันมาใช้สักหน่อยดีนะขี้เกียจ ด, ด่าคนอื่นนะดีไหมดีไหมเออดีนะขี้เกียจหลงล้หลงที่ไรแล้วไม่ดีสักทีดีไหมขี้เกียจหลงแล้วต่อไปนี้ ขยันนี่ขยันมากมากก็ไม่ดีนะขยันหลงนะดีไหมขยันนักไอเรื่องหลงนะโอ้แต่ถ้ามีสติมแยกเยอะได้นะก็เหมือนกับเออบางอย่างนะ่ะมันดีค้อนเนะี่ยมันดีมีดเนะี่ยมันดีเอาไปจักก้อนหินเนี่ยมันดีที่ไหนขอมันดีกันขอไม่ดีเงีนะ้รถป้ายแดงคนไม่มีสติเราไม่ขับดูสิรถดีๆดีเดี๋ยวพังกลับมา แต่คนที่มีสติมีปัญญามีความรู้ยิงรถพังๆเนี่ยโอ้ยขับไปซ่อมไปเนะอถึงจดหมายปลายทางนะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะแล้วเราก็จึงมานะี่ปรับนะหรือว่าเข้าสู่สภาวะของจิตเดิมแท้นะที่มันประพัดสอนป่องใสอยูนะ่แต่ว่าไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดเนะี่ยก็คือตัวหลงทิมพาทำนะหลงทำในสิ่งที่ชอบนะ อะไรถูกต้องเราก็มด้ใส่ใจทำก็แต่อะไรถูกใจก็ทำกันจังอย่างี้เป็นต้นเช่นแทนที่จะถูกต้องเมื่อกี้เปรียบเทียบกับแม่กับโลกงี้นะแม่นี่สังเกต ด, ด oh. ูเวลาโลกหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนโอ้แม่พยายามทนุถลอมตัวเองไม่ทำงานหนักเดี๋ยวจะแทง้งอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาใกล้คลอดเน้ยพยายามที่จะ ดูแตัวเองสุดๆจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนเ่เดี๋ยวมันจะลื่น ล, ล้มกระทบกระเทือนลูกอาหารดีๆกับบำรุงบำเลอร์ไปเป็นต้นเคยเป็นอย่างนั้ น, นเคยมีลูกอยู่สามคนเคยทำอย่างนั้นพฤติกรรมพ่อก็ห่วงใยเหมือนกันไม่ใช่แม่คนเดียวอะไรดีๆอารมณ์เนี่ยพยายามไม่ทาให้เสียมาขณะที่อยู่ในท้องขยันเต็มที่อะไรที่อยากได้ถือว่าอะไรหละ คนท้องนี่จะใกล้ๆกับแพ้ท้อง น, นะบางทีเราก็แพ้ท้องด้วยนะบางทีผู้ชายก็แพ้ท้องเหมือนกับผู้หญิงนั่นแหละมันเหมือนกับรู้ใจกันอย่างนี้อากาศแบบนี้ร้อนๆอย่างนี้ต้องไอ้นี่แตงโมสักลูกนึงเลือกไปหาน้าอะไรที่มันหวานๆอร่อยๆได้พลังแก้อ่อนเพลียทำให้มีเลี้ยวมีแรงขึ้นมามันก็รู้ใจกันแพ้ท้องไปด้วยกันออร่อย กันนี้เวลาคลอดเนี่ยเคยเข้าไปห้องคลอดเหมือนกันดูแลสายใยลบของแม่เนี่เหนียวมากนะตัดแทบไม่ขาดเลยนะกันไก่นี่ยต้องคมันเป็นกันไก่โค้งๆที่เคยคลิปนะตอนที่ปากช่องคลอดของแม่จีตยาชาต้องคลิปออกมาหมอจะมือสอดเข้าไปแล้วคลิปเลือดทะลักออกมาเป็นริ่มๆทั้งเด็กทั้งเลือดว่าจะคลอดอยากเย็ น, นดึงแล้วดึงอีกหมุนแล้วหมุนอีกไง รอออกมาก็โอ้โหไขมันตัวเขียวเือเกาะเด็กตั้งเลือดนะลมหายใจยังหายใจเองไม่ได้อาศัยลกแม่อยู่นะจนกว่าดูดน้ำในจมูกออก น, ะนะนำเมือกต่างๆเสร็จแล้วก็ตัดลกอันนี้ก็เอาหัวห้อยลงมาตบให้ร้องใหนะ้เริ่มกระบวนการการมีชีวิตนะเอาไปเกาะ อ, อกแม่อู้ดดน้ำเหลืองของแม่รนะอยยิ้มของแม่ยิ้มทั้งน้าตานะ รอดตายทั้งแม่ทั้งลูกดังนั้นเราก็มันก็น่าใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าไปทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมทําอะไรที่เป็นเรื่อ ง, อ ง, องก่อการลงกองทำไปสู่ความดีความงามแล้วก็ท้ายสุดเกิดสันติสุขสันติภาพคือมาเห็นความจริงเลยว่าจิตตภาวนาความรู้สึกตัวการฝึกสติอันนี้มันจะพาเราไปความรู้สึกตัวไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็น ไม่อยากรู้ก็ต้องรู้มันมันรู้ถูกนะแต่กว่าจะรู้ถูกก็ต้องรู้ผิดไปก่อนรู้บ้างหลงบ้างเราก็รู้ทั้งรู้รู้าทั้งหลงหลงก็กลับมาสัมผัสที่กายมันหลงไปในความเชี่ยดกลับมาที่กายมันหลงกายมันหลงกายไปทางตาแล้วกลับมาที่กายมันหลงกายไปทางหูก็กลับมาที่กายท้ายสุดก็กายเป็นความฉลาดได้เห็นจิตมันเดินทาง จ, จ, จ, จ, จ, จิิตๆจจจจิต ตาท า, างหูจํากลิ้นกายสมองเรียนกะว่าความคิดนะมาถูกคิดมากๆรู้เท่า ร, รู้ทันความคิดมันทําเรานะมันกระทำมันเป็นความหลงพาธรทำนะต่อมาเรารู้นะเรามีการกระทํากรรมฐานนะเราผูเอาไวนะ้มันก็ถึงธรรมเกิดปัญญาขึ้นมาได้เราวิปัสสนาญาณดังนั้ น, นผลของกรรมฐานคือให้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาเป็นตัวปัญญาเบื้องตน้น มันจะรู้เท่ารู้ทัน ร, ร, ร, <hi> ร, รู้รู้รู้นามเห็นความจริงเบื้องต้นขึ้นไหมรู้บุญรู้บาวรู้ศาสนาขึ้นมาเห็นปัตยรักหลายสิ YouT ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่คำพูดแต่มันเป็นอาการแป๊บจิตติติอย่างง้นะก็มาสังเกตกันนะอย่างนีนวัดสมคนรกี่รั้วเรากล่าวปาป้อมกัน